5.20 สวดอภิธรรมเพื่อแสดงให้คนฟังรู้ว่ามีแต่สภาวะธรรมวงเล็บเปิด29มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที64วงเล็บปิดงานศพในสมัยก่อนท่านไม่สวดกันหรอกท่านแสดงธรรมทีนี้มาในยุคหลังๆเนี่ยเราหาคนแสดงธรรมยากก็เลยสวดในวงเล็บพระอภิธรรมขึ้นมาจริงๆก็คือการสาธยายธรรมบรรยายธรรมนั่นเอง ทีนี้เผอิญไปสวดเป็นภาษาแขกคนไทยเลยฟังไม่รู้การสวดอภิธรรมก็เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วนี่ไม่มีคนมีแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างารรมมาากุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างสภาวธรรมที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลบ้างสอนธรรมะนั่นเองเพื่อหเห็นว่าไม่มีคนเมื่อไม่มีคนแล้วมันก็ไม่มีคําว่าคนตายคนแก่คนเจ็บ ถ้าผู้ใดมีปัญญาเห็นว่าไม่มีคนตายจริงๆนะก็จะไม่เศร้าโศกธรรมะจริงๆเนี่ยเขาแสดงให้คนเป็นเป็นฟังเพื่อจะได้ไม่เศร้าโศกทีนี้รุ่นหลังๆเราไม่เข้าใจเราไปสวดภาษาแขกแล้วเราก็ไม่รู้ความหมาย